ด้วยเกียรติยศของคนชื่อระพินผมขอสาบานว่าผมไม่ได้แกล้งพวกคุณเลยแล้วก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าเมื่อพวกคุณลำบากทุกยากผมก็ลำบากด้วยไม่ใช่ว่าจะสบายไปกว่าระพินเอ่ยขึ้นเบาๆอย่างอ่านความคิดของหลอนออกอบแขนประคองไหลไว้ตกเบาๆอย่างปลกุกปลอบใจเยี่ยงมิสนิทริมฝีปากรูปงามแต่แห้งผากนั้นฝืนยิม้ม คุณไม่เคยรู้ภูมิประเทศหรือว่าผ่านเส้นทางของเขาลูกนี้มาก่อนเลยเหรอหล่อนเน้นคำถามครับสาบานครับว่าไม่เคยผมเคยผ่านนรกดังจริงครับแต่มันไม่ใช่เส้นทางนี้ไอ้ครั้นจะนำออกในทิศทางที่เคยเดินมาก่อนแล้วมันก็ผิดเส้นทางชี้บอกในแผนที่ของพวกคุณซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นพวกคุณก็จะรู้แล้วก็จะทักท้วงยับยั้งทันที เส้นและเส้นลองแล้วก็ทิศทางชี้นำของแผนที่ทางอากาศของพวกคุณมันบังคับอยู่แล้วและผมก็ได้พยายามแสวงหาทิศที่คิดว่ามันควรจะไปได้ง่ายได้สะดวกแล้วก็อันตรายน้อยที่สุดอยู่แล้วเอาละ่ะฉันพยายามจะเชื่อคุณเพราะอย่างน้อยตลอดเส้นทางมาเนี่ยคุณก็ได้แสดงถึงแก่นแท้จริงใจรวมทั้งเกียรติยศที่คุณเอ่ยอ้างถึงนั่นให้ฉันได้เห็นแล้ว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 แล้วก็เหลือบดูตลอดทั้งร่างกายอย่างยืนปักหลักนิ่งเป็นสั ง, ง่าของแม่ผมทองผมยินดีครับที่วันนี้คุณกลับคืนมาเป็นคนแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจตามเดิมคริสติน่าสันสีสันจิตใจฉันน่ะมันมันมนม่นคงและแข็งแรงเสมอละคุณแต่สังขารบางขณะก็ไม่อำนวยให้เหมือนกันขอบอกตามตรง วันนี้ภาวะทางร่างกายของฉันไม่แข็งแรงเลยนอนสมนักอยู่เมื่อคืนที่แล้วนี่เองเพียงแค่รุ่งขึ้นมันจะแข็งแรงเหมือนเดิมได้ยังไงแต่ฉันฝืนใจไงแข็งใจที่จะต้องเดินหน้าตามคำสั่งของคุณเท่านั้นเมื่อคืนนี่คุณอ่อนโยนแล้วก็อ่อนหวานมากสำหรับคำร้อยกรองที่คุณกล่าวให้ฉันฟังมันทาให้ฉันบังเกิดกาลังใจแล้วก็มองเห็นทาแท้อันซ่อนเร้นของคุณ คุณมีจิตวิทยาที่จะปลอบโยนและหลอกล่อได้ดีมากคริสเมื่อยามคุณไม่สบายใช่ผมปลอบโยนคุณแต่ผมไม่ได้หลอกล่ออะไรคุณนะแน่ใจเหรอว่าไม่ได้หลอกและล่อครับแน่ใจก็ร้อยกรองบทที่คุณท่องให้ฉันฟังข้อความว่าไงนะระพินอื้น สีฟ้าจับนิ่งอยู่ที่เขาผมลืมไปแล้วแต่ฉันไม่มีวันลืมยังจำติดหูอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้แล้วคิดว่าอาจจะตลอดไปจะให้ทบทวนไหมเพื่อรายการคุณก็เพื่อยืนยันให้เห็นไงว่าคุณหลอกฉันที่คุณผมนึกไม่ออกจริงๆนะมันเป็นอะไรนะ บทร้อยกรองนั่นเหรอกรพินฉันก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นบทกวีบทลำนำหรือบทเพลงอะไรสักอย่างเนึง่งสัมผัสของมันไม่เข้าหลักเกณฑ์อะไรนรักหรอกแต่มันก็ทำให้ผู้ได้ยินละเมอฝันไปได้เหมือนกันเอาละ่ะคุณปีนขึ้นไปได้แล้วผมจะคุมหลังให้ใกล้ๆ แล้วก็ลองทบทวนให้ผมฟังอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณว่าคุณยังจําได้อะระพินไพรวันกล่าวจบก็ก้มตัวลงประสานมือเข้าหากันเป็นบันไดให้สำหรับหลอนคริสเกาะไหลเข้าไว้เท้าข้างหนึง่งเหยียบลงยังฝ่ามือที่ประสานรองรับของเขาพอหลอนเหยียบได้ถนัดเขาก็งัดผลักส่งขึ้น ร่างของแม่นักเคมีฟิสิกสาวประจำคณะสปริงขึ้นไปอยู่บนโขดหินสูงเหนือศีรษะของเขาทันทีและตัวเขาเองก็เหนียวแง่หินที่โผล่ออกมานั้นออกกําลังข้อร่างกายตามขึ้นไปหล่อนไตนําไปเบื้องหน้าโดยสแสวงหาลูกทางที่จะเกาะโหนเหนียวร่างกายพาตัวขึ้นไปอย่างคนที่ฉลาดต่อการปีนป่าย ช้าๆระมัดระวังและมั่นคงในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวรับินไตาตามหลังไปในระยะที่พอจะพูดกันได้ยินเบาๆคำถามของเขาถูกปล่อยทิ้งค้างเพราะคริสติน่าคืบหน้าโดยไม่เอ่ยอะไรอีกเหมือนจะไม่สนใจกับคำพูดที่ชะงักค้างกันไว้โดยยุติลงเพียงแค่นั้น สูงขึ้นไปตามแนวผาอันตรายนั้นพักพวกกําลังกระดึบกระดึบกันขึ้นไปอย่างแช่มช้าเห็นเรียงรายเป็นจุดจุดหมู่หมู่โดยบุญคําซึ่งเป็นผู้นําขบวนอยู่เบื้องบนนําเลี่ยงออกไปทางด้านซ้ายมือมากที่สุดตามคําสั่งของเขาเพื่อหลบรัศมีไอร้อนที่ระบายขึ้นมาจากปากปล ong เหวแถบขวามือของภูเขาลูกนี้ การคืบหน้าขึ้นสูงแต่ละช่วงเต็มไปได้วยความแสนขินของมนุษย์ที่มีเพียงสองมือสองเทา้าและธรรมชาติสร้างร่างกายมาให้อ่อนแอบอบางกว่าสัตว์แทบทุกประเภทถ้าแม้จะไม่เคยเชื่อหรือสำนึกมาก่อนตามที่มักคุเทศนำทางได้เคยบอกเตือนไว้ก่อนออกเดินทางว่าขุนทางมันเต็มไปด้วยความธุระกันดานยากแท้นลําคินเพียงไรมาบัดนี้ อเมริกันชุดนี้ก็ย่อมตระหนักซึมซาบแก่ใจดีแล้วว่าสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่นี้มันจริงซะยิ่งกว่าจริงอีกเว้นไว้แต่ว่าจะไม่มีใครเอ่ยปากออกมาเท่านั้นและในใจของแต่ละคนก็คงจะต้องนึกสาบแช่งหน่วยเหนือของตนที่กําหนดแผนคัดเลือกตัวให้ต้องมาเสี่ยงอันตรายลําบากยากแทนกันจนสุดชีวิตเช่นนี้ ไม่จะเก่งกาศสามารถในการเดินป่าไตา่เขาเพียงไรก็ตามคริสติน่ายามนี้ก็อยู่ในสภาพเต็มกลืนไหนจะสภาพร้อนอบอ้าวของอากาศที่แวดล้อมรอบตัวไหนจะความสูงชันและเหลี่ยมมุมแง่หินที่ปีนไายเนียวรังกายขึ้นไปอันแสงจะมิ่นเมยสองหรือสามครั้งหล่อนเกาะแง่หินบางตอน ซบหน้าหอบหายใจแรงๆอยู่กระท่อนแขนซึ่งพรานใหญ่ก็ต้องหยุดลงด้วยในตำแหน่งต่ำกว่าระวังคุมเชิงคอยสกัดรักหากว่าหล่อนจะหมดกําลังข้อปล่อยมือร่วงคลูดหรือพงะหลังลงมาแล้วก็นึกนิยมอยู่ในใจว่าคริสติน่าแข็งจริงๆวันนี้หล่อนไม่ยอมพลั้งพลาดแม้แต่ครั้งเดียว อย่างมากที่สุดถ้าเหนื่อยหนักก็เกาะตัวหยุดนิ่งพักเท่านั้นตรงข้ามกับอีกสี่คนคือสแตนลีย์อันเป็นหัวหน้าคณะใหญ่นายคีธเชิดบุตรและก็เบลซึ่งทุลักทุเลส่วนเซตะเกียดตะกายพลาดเกือบจะเกิดอุบัติเหตุกันอยู่บ่อยๆแทบทุกคนดีแต่ว่าเกาะหมู่กันไปและถ้าคนหนึงพลาดอีกสองสามคนใกล้เคียง ก็ยังช่วยชุดช่วยดึงคว้าตัวกันไว้ได้ทันและยิ่งสูงขึ้นไปเท่าใดผลทางก็ยิ่งลำบากเพิ่มขึ้นเพียงนั้นเกิดเซยและจันรู้หน้าที่ดีแบบนี้ทั้งสามพรานของเขาถอนกำลังจากการเป็นพี่เลี้ยงของพวกลูกหาบไตเข้ามาคอยดูแลช่วยเหลือคนทั้งสี่เหล่านั้นอย่างใกล้ชิดโดยที่รบพินไม่จาเป็นจะต้องออกคาสั่ง ตเกียกตะกายสมซานกันขึ้นไปด้วยความมานะพยายามขีดสุดรพินั้นเมื่อเหลือบขึ้นไปเห็นคนของเขาเข้ามาช่วยประกบตัวฝ่ายนายจ้างชุดที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วก็เบาใจขึ้นบัดนี้หน้าที่ดูแลของเขาจึงมุ่งอยู่แต่เฉพาะคริสติน่าเท่านั้นช้าๆก็ได้คริสถ้าเหนื่อยก็หยุดก่อนไม่จำเป็นต้องเร่งร้อนะ เขาคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาขณะนั้นทั้งสองขึ้นมายืนเกาะนอหินที่โผล่เหมือนตอไม้ยังบริเวณพื้นตัดชันตอนหนึ่งที่เหยียบยืนอยู่นั้นก็อาศัยจากแก่งแง่แคบๆเพียงแค่เอาเท้าเหยียบยันพยุงไว้ได้เท่านั้นระดับยืนของเขาต่ํากว่าหล่อนเล็กน้อยคริสติน่ากลืกใบหน้าเช็ดเหงือกับแขนเสือ้อ เหนือเหล่านั้นเกาะพราวอยู่แม้กระทั่งบนแผงขนตางอนมองดูเหมือนน้ำตาแล้วหันมาเหลือบดูครับสมัยที่คุณนำพวกนายจ้างคณะก่อนเดินทางมาขนทางลำบากเท่านี้ได้ไหมคริสติน่าพูดเสียงแหบราบยี่สิบเท่าครับลำบากกว่านี้ คุณคงไม่ปลดฉันเพื่อจะปลุกปลอบให้กำลังใจใช่ไหมผมพูดความจริงคริสและทุกคนก็รอดปลอดภัยไปได้โดยไม่มีใครถึงแก่ชีวิตยังงั้นเหรอครับเฉพาะนายจ้างทุกคนปลอดภัยหมดครับยกเว้นลูกหาบบางคนที่เคาราะหร้ายจริงๆเท่านั้นแต่นั่นก็หมายถึงก่อนจะเหยียบเข้าเ ข, าเขตนรกดัง แต่เมื่อเข้าเขตนรกดำแล้วไม่มีใครตายแม้แต่คนเดียวทั้งๆ ท, ที่น่าจะถึงแก่ชีวิตกันไปบ้างในเส้นทางมหาโหดนั้นคำพูดของคุณทำให้ฉันมีกำลังใจขึ้นมากทีเดียวระพินทั้งๆ ท, ที่ขนะนี้ความหวังที่จะผ่านเขานรกรูปนี้แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วถามจริงเธอคุณตัวคุณไม่เหนื่อยมั่งไง รบพินยิ้มทำให้ใบหน้าที่แลดูกระด้างเหมือนหินที่รอบกายอยู่ขนาดนี้อ่อนโยนลงคริสครับผมก็แค่มนุษย์ปุทุชนนะครับร่างกายไม่ได้สร้างด้วยเหล็กเพชรที่ไหนอาจจะได้เปรียบพวกคุณมั่งก็ตรงที่ความเคยชินจะต้องเผชิญกับภูมิประเทศกันดานแบบนี้อยู่บ่อยๆเท่านั้นผมมันมืออาชีพครับส่วนพวกคุณนํามือสมัครเล่น แม้ว่าก่อนจะออกเดินทางมาในครั้งนี้แต่ละคนจะผ่านการฝึกซ้อมมาสักขนาดไหนมันก็คงไม่เท่าคนที่มีชีวิตประจาวันอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรอกคุณคุณต้องยอมรับความจริงในข้อนี้แล้วก็อย่าไปคิดท้อแทหรือเข้าใจว่าตัวเองอ่อนแอคริสติน่าพยักหน้ารับแล้วแง้มมองไปยังพักพวกทุกคนซึ่งเคลื่อนขึ้นไปอย่างป้อแป้อิโรยเต็มทีสังเกตได้ชัด ทำไมพวกนั้นถึงได้เงียบ ก, กันไปหมดหล่อนพูดเหมือนรำพึงความเหนื่อยนะคุณความเหนื่อยมันทำให้คนเราพูดไม่ออกแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรกับใครทั้งนั้นคนนือแนนคิดนะขี้วยวายแลวมักชอบสะบดอยู่เสมอแต่เดี๋ยวนี้เขาก็โวยไม่ไหวแล้วคอไม่มีเสียงผมรู้ว่าเขากำลังอยากจะด่าผมแต่เขาก็ด่าไม่ออกเพราะหืดขึ้นคอ แล้วพรานใหญ่ก็หัวเราะออกมาเบาๆรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขแล้วก็สะใจมากนะที่เห็นพวกเราเหนื่อยยากสบักสะบอมกันชนิดเลือดตาแทบกระเด็นอย่างเงี้ยอย่ามองผมในแง่ร้ายเป็นนักเลยคริสผมห็ินใจพวกคุณทุกคนที่ถูกเลือกให้มาทำ ง, งานชิ้นนี้มือเหนือเขาจะไม่มีวันมารู้ได้หรอก ว่าพวกคุณเหนื่อยยากกันเพียงไรเพราะเขามีแต่คําสั่งไม่ได้มาร่วมปฏิบัติด้วยอ่ะฉันจะเคลื่อนต่อแล้วนะแต่มันไม่มีที่จะเหยียบไปได้เลยนี่แง่หินก้อนนั้นมันอยู่ห่างเกินกว่าที่ขาฉันจะก้าวถึงส่วนจะปีนขึ้นไปทางด้านบนนี่ก็ปีนไม่ไหวหรอกเพราะมันไม่มีอะไรมาเกาะยึดแล้วก็เป็นหินเรียบตัดชันมาก หลอนรวบรวมกำลังอีกครั้งพงกศสีสษะขึ้นหาทางจะเคลื่อนต่อโอเคคริสก้าวเท้าซ้ายของคุณเหยียบบนไหลผมไว้เงยเปลี่ยนน้ำหนักตัวไปยังโขดหินซีกซ้ายมือนะ่ะระพินบอกหล่อนเหลียวมองหน้าอย่างลังเลคุณแน่ใจเหรอระพินเท่าที่ฉันรู้ผู้ชายไทยเขาถือนะ่ะ ไม่เป็นไรหรอกคุณถ้าจำเป็นไม่มีอะไรที่จะต้องถือในภาวะอย่างนี้และด้วยกิริยาที่รับผินไม่เชื่อมาก่อนคริสติน่าหันมาพนมมือทั้งสองไหว้ขออภัยเขาตามประเพณีไทยจากนั้นก็วางฝ่าเท้าลงบนไหลอันแกร่งเกรงแต่แข็งแรงของเขาและอาศัยเหยียบพานอย่างคนเป็นคือไม่ขยม หรือทิ้งน้ำหนักลงมาทั้งหมดเพียงแค่ใช้เป็นที่ทรงตัวอย่างรวดเร็วเท่านั้นแล้วก็เกาะหินเปลี่ยนตัวเองไปยืนอยู่บนชาญขั้นพักซึ่งห่างออกไปได้สำเร็จไม่มีคำพูดใดๆจากหล่อนอีกนอกจากสายตาที่แสดงความขอบคุณอย่างสูงเมื่อระพินรังกายขึ้นไปยืนอยู่เพียงข้างเขาแตะหลังพยักหน้า เป็นสัญญาณให้เคลื่อนต่อด้วยสัมผัสอันเต็มไปด้วยความอ่อนโยนปราณีคริสติน่าปีนป่ายต่อไปเส้นทางในระยะนี้เริ่มไต่สะดวกขึ้นแล้วเมื่อผ่านพ้นจุดสําคัญมาได้งแม้จะทิ้งระยะห่างไกลกันในครั้งแรกแต่บัดนี้หลอนก็ไล่หลังพวกนั้นกระชั้นชิดเข้าไปทุกทีจอมพรานปล่อยให้หลอนล่วงหน้าขึ้นไปก่อนเมื่อเห็นว่าขนทางปลอดภัยพอสมควรแล้ว เขาใช้กล้องสองทางไกลสำรวจเส้นทางที่บุญคำกำลังนำขึ้นไปอีกครั้งและปลดวิทยุจาเข็มขัดขึ้นมาระพินเรียกทุกคนครับระพินเรียกทุกคนขณะนี้เราผ่านบริเวณอันตรายขึ้นมาจนเกือบถึงที่หมายแล้วครับอีกประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเราจะขึ้นถึงส่วนหัวปีกของเทือกเขารูปนกินรีนี้ แล้วที่นั่นเราจะหาที่พักก่อนครับใครมีปัญหาอะไรบอกให้ทราบด้วยนะครับฝ่ายนายจ้างทุกคนยกเว้นคริสติน่าทากันเหลียวกลับลงมาดูเขาซึ่งรังท้ายลิบ ล, ลิต่ำลงไปเสียงอุบอิบของเบลดังลอดออกมาจากเครื่องรับของเขาเหมือนจะปลารบกับคีสซึ่งอยู่ใกล้หล่อนที่สุดว่าฟังฟังไกด์นาเที่ยวนรกเขาบรรยายสิ ประทับใจนะักทัศนาจรหรือเกิดแต่ขอโทษทีนักทัศนาจรแทบจะหัวใจวายอยู่แล้วเสียงรพินหัวเราออกมาเบาๆเขาเรียกสอบถามเป็นรายตัวคีตเชิดบุตรเดสแตนลีตอบรับมาเป็นลำดับทุกคนบอกว่าเรียบร้อยดีแม้ว่าจะเหนื่อยแทบขาดใจและเสื้อผ้าถูกขินเกี่ยวครูดฉีกขาดรุ่งริ่งกันทั่วหน้า ถลอกปอกเปิงมือเท้าพองและอย่างน้อยก็ฟกช้ำดำเขียวได้เลือดซิบๆิบทุกคนแม้กระทั่งพวกลูกหักละพินบอกให้ทราบว่าจะตามขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นเขาไต่ขึ้นมาด้วยอาการปกติแล้วชั่วไม่นานก็ขึ้นมาถึงมองผ่าดๆผาดว่าเขาก็ปีนป่ายในลักษณะเดียวกับทุกคนนั่นแหละแต่เหตุใดมันจึงขึ้นมาถึงบริเวณนั้นได้รวดเร็วทันใจก็ไม่ทราบ ระหว่างที่พักรอคอยกันอยู่ก่อนจะปีนชะง่อนสุดท้ายอีกชะง่อนเดียวก็จะถึงที่หมายนั้นหัวหน้าคณะลองจับเวลาดูโดยไม่ตั้งใจก็พบว่าจอมพรานใช้เวลาเพียงร้อยนาทีเศษเท่านั้นในระยะประมาณเกือบร้อยเมตรที่ต่ำลงไปในแนวลาดชันเกือบ90สบองศานั้นดูเป็นสิ่งลึกลับไม่น่าเชื่อในห้างจะสงสัยอะไรเลย จันผู้นั่งเหยียดขาอยู่ใกล้ๆตอบง่ายๆเมื่อถูกัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เอ่ยถามเป็นข้อประหลาดใจขึ้นเดินป่าหรือปีนเขานะ่นะนายรพินแกไม่ได้เดินหรือปีนมาธรรมดาอย่างพวกเราหรอกนายห้างแกใช้เวทมนต์คาถาตัดเส้นทางเอามันช่วยย่นระยะทางได้ทำไมห่วงพวกนายห้างแล้วก็อุ้ยป่านี้แกขึ้นไปถึงยอดเขานานแล้ว คนะ้าทะย่นระยะทางเหรออิซาเบลได้ยินข้าวก็ร้องลั่นออกมาหน้าตื่นงงย่นระยะทางยังไงก็ฉันเห็นนายของจันไปยินขึ้นมาบนเส้นทางเดียวกับเราแล้วก็อย่างเดียวกับเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เสียเวลาหยุดพักแล้วก็ไปยินได้เร็วกว่าพวกเราเท่านั้นก็เห็นกับหลกักหลักกระตาอยู่แค่นี้ แมมเบ้กับพวกในห้างทั้งหลายนะ่นไม่เข้าใจหรอกเพราะเป็นพวกฝรั่งไม่รู้เรื่องแบบนี้จันบอกมาหน้าตาเฉยของพันนี้่ะมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกแต่แมไม่เห็นเลยพวกเรานะักกว่าจะตะกายกันขึ้นมาถึงบนนี้ได้ใช้เวลาตั้งนานสองนานรวมครึ่งชั่วโมงได้ไมั้งนายรพินกับก้าวพรวดพรวดขึ้นมาแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นก็ทันแล้วละ มองดูก็เหมือนปีนขึ้นมาธรรมดาแต่มันเร็วแปลกมากกว่าคนทั่วทั่วไปนั่นแหละแกใช้วิชาตัดทางย่นทางเอาแบบเดียวกับพระธุดงเวลาเดินป่าตัาดเขาไง Stupid, <this> man. เตี้ยบิดดิสแมนเบลุทานเสียงสูงมองหน้าพักพวกทุกคนอย่างไม่อาจเข้าใจได้เชิดบุตพอได้ยินจันพูดเขาก็ฉเฉลียวคิดอะไรบูบขึ้นมาทันทีเพราะพอจะเข้าใจ ยังเคยได้ยินได้ฟังในเรื่องทํานองนี้มาก่อนมั่งแล้วแต่ก็ไม่ได้ปริปากอธิบายหรือพูดอะไรออกไปเพราะความเหนื่อยทําให้ไม่อยากพูดและคนอื่นๆก็ไม่ได้มาคอยเพ่งจับสังเกตให้ความสนใจอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดพากันนั่งพักในอาการนิ่งซึมจนกระทั่งระพินเหนียวกายขึ้นมาถึงที่นี่พวกลูกหาบทั้งหมดแม้กระทั่งบุญคําซึ่งปีนนามาโดยตลอด ก็นั่งพักรอคอยกันพร้อมหน้าไม่มีใครแยกย้ายไปอยู่ที่ใดห่างไกลออกไปเพราะมันเป็นช่วงสุดท้ายของที่หมายอันจะมีกำหนดปีนขึ้นลักษณะของมันเป็นชะเง้อมผาสูงจากพื้นที่กว้างที่ทุกคนมานั่งพักรอคอยเขาอยู่ประมาณ15บห้าเมตรชะงโงกล้ำออกมาไม่สามารถจะมองเห็นภูมิประเทศด้านบนได้เพราะเหลี่ยมมุมบังตาเละนนั่ง คือตำแหน่งหัวปีกด้านซ้ายของภูเขานกอินทรีที่มองเห็นขณะอยู่ต่ำลงไปยังเชิงเขาด้านล่างแต่เมื่อเข้ามาอยู่ภายใต้เงื่มเงาปีกของมันแล้วเช่นนี้มองไม่เห็นเป็นภาพอะไรเลยนอกจากหินมันคือมาทั้งลูกทั้งคณะเข้าไปนั่งบ้างนอนบ้างอยู่ภายใต้เงาบางแดดและมองจับมาที่พรานใหญ่เป็นตาเดียวขณะที่เขาไต่แง่หินขึ้นมาได้ พร้อมทางเดินเข้ามาหาถอดหมวกออกตบกระขาจังเกงระบายความร้อนจากสีสัตว์นี่ถ้าฉันจำไม่ผิดตาท้าบุญคำเคยบอกไว้ว่าหากนายของแกยิ้มร่าแบบนี้เมื่อไร่แล้วก็ให้ระวังรู้ตัวกันไว้ล่วงหน้าได้เลยว่าเหตุการณ์มันจะเลวร้ายที่สุดนั้นก็ดูนะั่นนายคนนั้นยิ้มแฉ่งเข้ามาละ อิสเบร์กล่าวขึ้นด้วยเสียงเพลียๆกับทุกคนในคณะแล้วก็จริงดังที่แม่ผมแดงว่าก่อนไตเขาอินซีขึ้นมาในเช้า ว, วันนี้ระพินไพรวันดูท่าจะอารมณ์ดีผิดไปกว่าทุกครั้งยิ้มแย้มแจ่มใสและสุภาพอ่อนโยนกับนายจ้างทุกคนคนถูกนินทาไม่ได้ยินพอเดินเข้ามาถึงก็ยอนกายลงนั่งเบื้องหน้าของทุกคน มองสำรวจเหมือนจะนับจำนวนดูว่าอยู่กันครบหน้าหรือไม่พอเห็นว่าครบกันดีแล้วรวมทั้งลูกหาบและสัมภาระทุกชิ้นเขาก็เอลังพิงหินก้อนหนึ่งอย่างต้องการพักเช่นกันพลางเอ่ยขึ้นปนยิ้มหนักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราทุกคนเอาล่ะเราจะพักกำลังแขนขากันให้หายเหนื่อยดีที่สุดซะก่อน แล้วก็จะไตช่ชะง่อนเหนือสีษะเรานี่ขึ้นไปนั่นคือจุดหมายที่เราต้องการเท่าที่บากบันตะเกียจตะกายกันขึ้นมานี่พึงแข็งใจนิดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับช่วงนี้ดูขินมีความสุขสดชื่นดีเหลือเกินนะวันนี้ในพรานเบนติ่งเน็บสุขสดชื่นอายเหรอครับเขาเลิกคิว ก็เห็นยิ้มเรื่อยอยู่ตลอดเวลาผิดไปจักทุกวันไปเบงครับคุณเคยได้ยินข้อความอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมมันมาจากสุภาษิตหรือปรัชญาเตือนใจมีรากฐานมาจากภาษาอังกฤษดั้งเดิมของคุณนั่นแหละถ้าคุณเคยเรียนผ่านวรรณคดีอังกฤษมาบ้างไม่ใช่รู้จักแต่ภาษาอเมริกันหยับห ย, ยาบลวกๆกอย่างเดียวข้อความว่าไงล่ะ เสียงเบรห้วนก็ข้อความที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์และยังไงอีกแต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อัยมาข้อความนี้ไงครับ นายจ้างอเมริกันทุกคนเงียบกริบไปชั่วขณะหมอเบนยิ้มแค่นๆยักไหลฉันเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์และพวกเราที่นั่งอยู่นี่ก็ล้วนแต่เรียนวิทยาศาสตร์ในสา ข, าขาแขนงต่างๆทั้งสิ้นเคมีฟิสิกส์การบินการทหารพลังงานปรมาณูไม่มีใครเรียนทางวรรณคดีสัก แต่ก็ไม่เลวนักเรากที่มีโอกาสมาได้ยินจากพรานป่าคนนำทางมันก็แปลว่ามีภัยทีไรคุณยิ้มทุกทีใช่ไหมครับนันมีประโยชน์อะไรล่ะที่จะร้องไห้หรือว่าส่อความเศร้าสลดวิปรโยคยามเมื่อกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ทุกยากเมื่อชีวิตกำลังเพียบพร้อมไปด้วยความสุขคุณยิ้ม คุณหัวเราะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปราดไม่ยกย่องหรอกครับแต่ถ้าคุณยิ้มหรือหัวเราะได้ในขณะที่คุณกำลังเจ็บปวดรวดร้าวทุกยากทรมานที่สุดหรือกำลังจะตายแม้แต่พญาัจจุราชก็ยังคาระวะน้ำใจนี่ไม่ใช่แฟกนะครับแต่เป็นล็อกจิตต้องมองกันในแง่ลึกหน่อยครับหัวหน้าคณะยกมือขึ้นโบกตัด บ, บท นี่เบร์ถ้าเธอฉลาดเธอต้องไม่ต่อปากต่อคำมักคุเทศของเราคนนี้นะเขาไม่ใช่พรานนำทางอย่างเดียวรู้ไว้ด้วยแต่ยังเป็นปรัดญาเมธีที่ซ่อนโคมอีกด้วยประเดี๋ยวเธอก็ถูกเฉือนกระจุยไปเท่านั้นอะมาว่าถึงงานของเราดีกว่าและดอกเตอร์สแตนลีย์ก็หันมาทางระพินบนนี้ลมค่อยพัดเย็นสบายหน่อย ไม่ระอุอ้าวเหมือนอยู่ตรงบริเวณกลางเขาแผนการต่อไปเราจะเอาอยัางไงคุณไปยืนขึ้นบนชะงอนเหนือหัวนี่หละครับเมื่อทุกคนทักพอจะมีกําลังดีแล้วผมมองไม่เห็นทางเลยนะว่าเราจะขึ้นไปได้ยังไงมันเป็นชะงอนสูงไม่มีอะไรให้ยึดเกาะไต่ขึ้นไปได้นี่สแตนลียือบขึ้นไปดูบริเวณหัวเปีกของอินทรีย์หิน อันเป็นภูเขาทั้งก้อนนั้นครับไม่เป็นไรครับประเดี๋ยวผมจะส่งบุญคำจันหรืออาจจะเป็นตัวผมเองหาทางขึ้นไปบนนั้นให้ได้ซะก่อนจากนั้นก็จะผูกเชือกโรยลงมาให้ชักรอกกว้านสัมภาระขึ้นส่วนบุคคลก็ใช้วิธีโหนตัวไตเชือเหนือนอย่างที่เราเคยทำกันมาแล้วตอนปีนเขาครั้งแรกก่อนจะลงโป่งน้าร้อนคราวนั้นนะครับ หัวหน้าคณะพยักหน้าเหลือบดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นเป็นเวลา13นาฬิกา15นาทีเข้าไปแล้วตะวันเริ่มบ่ายเบนแต่ขณะนี้แฝงดวงเข้ากรีบเมฆลมบุนโชยมาเป็นระยะระยะให้ความเย็นชื่นพอสมควรบรรเทาความร้อนและความเหนื่อยลงได้บ้างไม่ทารุณเหมือนเมื่อตอนอยู่กลางเขานัก ขอทราบจุดหมายต่อไปหลังจากเราขึ้นไปบนปีกอินทรีได้สําเร็จอเมริกันเอาโศถามต่อมาโดยเร็วเราก็จะทานอาหารกลางวันบนนั้นครับแล้วก็จะพักเอากาลังกันให้เต็มที่ยังเหลือเวลาอีกนานก่อนตะวันตกดินถ้ายังพอมีเวลายังพอมีกําลังก็จะเดินทางต่อเส้นทางจะอยู่บนแนวสันเขาตลอดคงไม่ต้องปีนป่ายอะไรอีกแล้ว แต่ถ้าเดินต่อไปไม่ไหวก็หาที่พักกันเลยเพราะถึงยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องนับว่าเราใช้พลังงานออกแรงกันอย่างเต็มที่แล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสะดวกและเหมาะสมครับไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แน่นอนสรุปว่าไหวก็ไปต่อไม่ไหวก็พักขึ้นถึงหัวปีกินซีได้ผมก็พอใจแล้วถ้าเดินต่อไปได้ก็แปลว่าเป็นกาไรครับฝ่ายมริกันมองดูหน้ากันเอง อาการชนิดนั้นรู้ได้ในทีว่าต่างคนต่างหมดสิ้นกำลังเต็มทีแล้วแม้แต่พวกลูกหาบซึ่งบางคนก็ถึงกับนอนแผ่ราจะหลับเอาง่ายๆก่อนที่จะปีนขึ้นช่วงสุดท้ายอันเป็นหัวปีกของภูเขาอินทรีด้วยซ้ำบินสแตนลีฝืนยิ้มกับเขาดวงตาสีฟ้าของอเมริกันอาวโุโสบัดนี้แห้งผากปราศจากน้าหล่อเลี้ยง ควักกระเป๋าเสื้อควักกระเป๋าเสื้อหยิบซิก้าขนาดเล็กขึ้นมาคาบทำท่าจะจุดแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่าน้ําของคณะไม่มีเหลือแม้แต่สักหยดก็เลยชะ ง, งักถอดออกจากปากนับตั้งแต่ออกเดินทางมาวันนี้เป็นวันที่เราออกแรงหกักโหมที่สุดเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นเราก็เดินกันโดยไม่หยุดสักสามวันเต็มๆงั้นเหร มันจะเป็นระยะทางมหาโหดอย่างนี้ตลอดไปไหมนี่ระพินมันก็สุดแล้วแต่ภูมิประเทศแหละครับด็ตอร์ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกระยะไปหรอกบางระยะก็อาจจะเดินกันไปได้สบายๆและบางระยะก็อาจจะหนักกว่านี้ก็ได้สำหรับวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าเราไต่เขาที่สูงชันและมีความร้อนอบอ้าวมาก การปีนเขาอะมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงต่อสู้รแรงดึงดูดของโลกแบบนี้มันก็ต้องใช้กำลังสิ้นเปลืองกว่าเส้นทางในพื้นราบเป็นธรรมดาแล้วครับต่อไปผมจะพยายามที่สุดที่จะหาทางหลีกเลี่ยงซชะยกเว้นจำเป็นจริงๆเท่านั้นก็อยากจะถามความเห็นกันให้พร้อมๆหน้าซะเลยแล้วครับกระพินกว่าตามองไปยังทุกคนที่นั่งกันอยู่ในลักษณะต่างๆผมทราบดีครับ ว่าพวกเรานั้นเหนื่อยกันมากที่สุดแม้แต่ผมเองหรือลูกหากทุกคนก็เลยอยากจะขอความเห็นว่าเราจะหยุดพักกันอยู่ใต้ชะงอนปีกอินรีนี่ทานอาหารกลางวันและยุติการเดินทางวันนี้กันลงแค่นี้โดยพักกันเลยหรือว่าจะไต่ขึ้นบนหัวปีกอันเป็นที่หมายกำหนดไว้ซะก่อนไม่ต้องเกรงใจผมนะครับถ้าเห็นว่าไม่ไหวก็ไม่จาเป็นต้องฝืนล่ะ อว่ายัางไงพวกเราใครมีความเห็นยังไงบ้างสตา ล, ลีถามไปยังทุกคนในหมู่พวกตนเหมือนจะหย่างหางเสียงคิดผู้ไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยตลอดระยะการไต่เขาช่วงท้ายสุดถามมาเสียงแหบเ้าอ่ะบอกให้เรารู้ก่อนสิว่ามีอะไรเป็นจุดหมายสำคัญของคุณที่จะต้องปีนขึ้นไปบนหัวปีกอินซีให้ได้ภายในวันนี้ เขาจะขึ้นไปหาแหล่งน้ำบนยอดเขาอันแสงจะแห้งแรงลูกนี้ไงเบนร้องบอกสอดมาซะก่อนด้วยหางเสียงแดกดันประชดประชันเขาบอกคริสไว้ว่าบนนั้นน่ะจะมีสระที่งดงามปานสระบนสวงสวรรค์มีหงส์ขาวหงส์ดำลอยฟอ้องเต็มไปด้วยพันบุปผาชาตินาน า, นาชนิดธรรมชาติสวยงามประหนึง่งอุทยานสวรรค์ที่เดียวแหละ ระพินวางหน้าเฉยเรียบหันไปมองดูคริสติน่าซึ่งนั่งกอดเขา่าซึ้งตาลอยอยู่แล้วถามเบาๆว่าผมบอกคุณไว้ยังงั้นเหรอคริสไม่ทราบฉันจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดเดือดคริสติน่าตอบโดยไม่มองหน้าเขาเสียงของหล่อนเบาจอมพรานยิ้มนิดๆแล้วตอบนายคิดไปว่า มันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งขึ้นไปให้ถึงหัวปีกอินทรีภายในวันนี้หรอกคิดแต่ผมเห็นว่าเรายังมีเวลาเหลืออีกมากสําหรับวันนี้แล้วก็บนนั้นน่ะเขาชี้ไปยังชะ ง, งอนเหนือศีสักบนนั้นจะเป็นตําแหน่งสุดท้ายที่เราจะปีนกันอย่างลําบากอีกหน่อยเดียวหลังจากนั้นก็จะขึ้นถึงสันเขาละถึงแม้จะพักบนนั้นหลังจากที่ขึ้นไปถึง ผู้มีประเทศมันก็ยังดีกว่าไต่กันขึ้นมาเพียงแค่ครึ่งๆกลางๆแบบนี้แต่ถ้าเห็นว่าเดินต่อไม่ไหวเราพักบนนั้นก็สะดวกสบายกว่าที่นี่แน่นอนและถึงไม่ขึ้นภายในวันนี้ไงยๆพรุ่งนี้เราก็ต้องขึ้นอยู่ดีล่ะจึงคิดว่าแข็งใจกัดฟันอีกสักช่วงเดียวเท่านั้นเราก็จะพ้นเส้นทางวิบากมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็บอกไว้ตะกี้นี่ไงว่าทาไมไหวจริงๆ มันก็จำเป็นต้องหยุดจุดตรงนี้แหละผมจึงขอความเห็นส่วนรวมดูไงจะได้ไม่ต้องมาโทษกันบอาผมมานำทางอย่างหักโหมเกินไปเอาหน้าคิดอีกช่วงเดียวเนื้อหัวใกล้ๆแค่นี้เองอุตสาหปรินกันขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วมันไม่หนักหนาอะไรนักหรอกขอเพียงให้พักพอมีแรงอีกสักนิดเท่านั้นแหละเสียงเชิดวุตร้องเชียร์ให้กาลังใจมา ในกลุ่มของนายจ้างทั้งหมดเขาได้เปรียบทุกคนอย่างลึกลับในด้านความชุ่มชื่นและไม่สู้กระหายน้ำหรืออ่อนเพลียจนเกินไปนักเพราะมีหลวงพ่อแร่บางไัยของระพินที่แอบมอบให้อมไว้พวกเรานะผู้ชายนะถึงยังไงก็คงไหวแน่ว่าแต่เบลกับคริสเตมันออกจะทารุณไปหน่อยช่วงนี้ไม่จะปีนเฉยแต่ต้องโหนเชื่อขึ้นไปด้วย ถ้ากำลังข้อไมอ่พอแล้วก็เป็นได้ร่วงกันมั่งแล้วพันเอกคิดว่ามองมาทางสองสาวของคณะอย่างเป็นห่วงระพินน่ะแอบยิ้มขันขันอยู่ภายในเขาไม่ได้ห่วงเบ์หรือคริสเลยทั้งสองหญิงแม้จะดูว่าพ่อแป่ อ, อิดโรยหมดแรงยังไงเฉพาะในด้านการไต่เขาหรือโหนเชื่อกันแล้วก็ยังได้เปรียบพวกผู้ชายอีกสามคนในคณะมากนกะเพราะตัวเบากว่า รอบครอบระมัดระวังมากกว่าแนะจากประสบการณ์ที่เขาสังเกตเห็นมาคีดเองซะอีกถ้าจะมีการไต่เขาก็แล้วก็เป็นบุคคลที่น่าเป็นห่วงกังวลมากที่สุดเพราะรูปร่างในใหญ่เทอะทะและน้ำหนักตัวก็มากเกินไปหาความคล่องตัวไม่ได้เลยแม้แต่สแตนลีย์ซึ่งอายุสูงมากกว่าก็ยังปีนป่ายไต่ความสูงชันของหน้าผาได้ปลอดภัยมากกว่าคีตซะอีก ระพินไม่ออกความเห็นหรือพูดอะไรแต่เราฟังการตัดสินใจของฝ่ายนายจ้างโดยปล่อยให้หารือกันเองเมื่อถูกหัวหน้าคณะถามคริสตินาก็ตอบรับอย่างง่ายง่ายว่าพร้อมที่จะตต่ขึ้นได้เสมอสุดแต่เสียงส่วนใหญ่อิสเบียนจะเป็นด้วยเหนื่อยหนักหรือหงุดหงิดอยู่ในใจยังไงอย่างหนึ่งหล่อนเริ่มพานงองแงทอดกายลงนอนหงายต้นคอพาดแงหิน เฮ้ยใครจะขึ้นก็ขึ้นไปเถอะฉันขอนอนอยู่ตรงนี้แหละไปไม่ไหวแล้วนั่นดูเหมือนจะเป็นเจตนาตีลูกรวนกระพินซะมากกว่าถึงยังไงเบงก็ยังไม่ทิ้งนิสัยผู้หญิงเชิดวุฒพยายามจะปลอบโยนแต่หล่อนก็ตะวาดแวดมาอย่างหัวเสียแต่แล้วก็สงบนิ่งเงียบกริบอย่างยอมจำนนในทันทีเมื่อคริสตินาเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้จับต้นแขนไว บีบแน่นพร้อมกับพูดเสียงต่ําๆว่าเธอจะนอนอยู่ที่นี่ก็ได้นะเบลแต่เขาบอกให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันจะใช้เชือกมัดตัวเธอไว้แล้วสั่งให้พวกที่ขึ้นไปก่อนแล้วข้างบนช่วยกันสาวเชือกกว้านเอาตัวเธอขึ้นไปแบบเดียวกะหีพอสัมภระเหล่านี้และในขณะที่เธอถูกสาวกว้านขึ้นไปนะ่ะหากเธอไม่ช่วยตัวเองมั่งแล้วก็ ตัวของเธอจะถูกคลูดระขึ้นไปกับพื้นหินยับเยินทั้งร่างทีเดียวเอางั้นเ่ะและแม่ผมทองก็มองมาทางระพินพยักหน้านิดหนึ่งทางด้านเราทุกคนไม่มีอะไรขัดข้องหรอกเพราะฉะนั้นเริ่มงานคืบหน้าต่อไปของคุณได้แล้วคุณสุภาพบุรุษหน้าหินระพินเกือบสะดุ้งรีบเอามือมาคลำดูใบหน้าเขาทันที โชคดีนิดที่คริสติน่าพูดภาษาไทยกับเขาด้วยเสียงที่ชัดเจนมากไม่เพี้ยนเลยนี่ถ้ามันเพี้ยนแปลงหรือไม่ชัดไปหน่อยเดียวเท่านั้นก็คงไม่รู้จะวางหน้ายังไงถูกเหมือนกันถึงนั้นก็ตามตาเท่าบุญคำผู้หูไวที่สุดนั่งอมใบกระท่อมอยู่ใกล้ๆเขาก็แอบสะกิดมาที่เอวยื่นหน้ามากระซิบถามว่านายนาย แมมคริสต์เรียกนายว่าอะไรนะบุญคําฟังไม่ถ น, นัดสุภาพบุรุษหนะ้าอะไรนาะแล้วแกก็ชงงะงักค้างไว้ทําตาตื่นดูเขากระพินจุปากเบาๆผลักหน้าแกพังงะไปตะหวาดเบาๆทะลึง่งเดี๋ยวซัดด้วยหลังมือตานนี่ก็จะมองหน้าฉันเป็นหินเป็นหอยอะไรก็ช่างเขเอะอย่าเสือกทําเป็นหูไม่ดีเป็นหน่อยเลย โอน่ายไอ้คำนะหูดีทำไมจะหูไม่ดีแต่ดีมากๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันตาเป็นกุ้งยิงมอดแกบ่นอ่อยๆแล้วก็ําเลืองไปยังร่างของหมอเบลที่ยังนอนหงายอลางชางอยู่หันปลายเท้ามาทางแกและระพินภายใต้กางเกงเดินป่าอันฟิตเปรี้ยหรือมิฉะนั้นก็เพราะความบึบบับเกินไปของสวดทรง ทำให้เป้ากังเกงลอยเด่นชะโงกงําขึ้นมาอย่างชัดเจนระพินขยับเทา้าแกจึงลุกขึ้นอย่างรู้ทันเดินจากเงาร่มของบริเวณนั้นออกไปสู่กลางแสงแดดแผดเปรี้ยงอีกครั้งแงนมองขึ้นไปสำรวจชะง่อนผาเพื่อจะกำหนดทิศทางปีนขึ้นเพราะรู้แน่ว่าจะยังไงเชะแกก็จะต้องเป็นหน่วยหน้าถูกใช้ให้บุกขึ้นไปก่อนแน่นอนปากก็ร้องเพลงขึ้นดังๆ แสงจั น, นวนพองพี่มองเห็นโลประจันมันอวบมันอันหน้ามันเอ้ยก่อนที่สมุนขวาจอมสับ ป, ปะโดเขาจะร้องแปลงเนื้อเพลงนั้นออกไปจนจบท่อนแกต้องรอง้องอุบหลังแอเพระพินเอาก้อนกรวดขนาดเกือบเท่ากำปั้นคว้างสั์อึก็มาให้กลางหลังร้องจ๊ะ วิ่งหนีจุดห่างออกไปทันทีพวกอเมริกันทุกคนไม่รู้ความหมายและไม่สนใจอะไรนักแต่เชิดบูธหัวรอกก้าตัวงอออกมาได้คนเดียวเพราะตามทันในความทะลึ่งโลนของตับพานเท่าเจ้าเล่ห์การเดินทางครั้งนี้ถ้าขาดบุญคำสักคนเดียวเขาคงขาดกู้หูที่คอยให้ความคลื่นเครงไปซะอย่างน่าเสียดายที่สุดแล้วเขาก็รักสนิทกันแกมากที่สุด เหนือกว่าลูกน้องของรบพินทุกคนจอมพรานขยี้จมูกแรงๆสะบดอุบอิบในลำคออเมริกันทั้งหมดเห็นเชิดบุดหัวเราะกุมทองจนหน้าแดงเช่นนั้นก็มองมาเป็นตาเดียวนายคิดร้องถามมาว่าเฮ้ hey, What Seems So Funny เชิดบุษโบกมือยังปล่อยพืพ้นพื้อยู่เช่นนั้น บอกมาปนเสียงหัวเราะว่าเปล่าเปล า, ปลาไม่มีอะไรหรอกคำตะคำอ่ะอุ๊ยแดดร้อนแทบดับจิตก็ ด, กดันเสือกร้องเพลงชมพระจันทร์ตาเท่านั่นแกก็ทเล้นคงก็ไปตามเรื่องดีมือนกันช่วยหายเหนื่อยได้ดีแล้วก็ไม่เครียดกันนะคริสติน่าจ้องตาคมกริบมายังระพินทันทีพรานใหญ่จึงรีบวางหน้าเฉยลุกขึ้นยืน เดินตรวจสอบถามอาการของพวกลูกห่าที่พากันนั่งจ้องอยู่พร้อมเสมอไม่ว่าจะสั่งให้หยุดพักหรือให้ปีนป่ายไปสู่นรกที่ไหนอีกซึ่งเขาเชื่อมือทุกคนคงมีก็แต่อูทะและพระโต้สองคนเท่านั้นที่เห็นนั่งหน้าคล้ำเศร้าอยู่ก็เดินเข้าไปถามไหวไหมอุทะพระโต้นี่เราจะต้องไต่ขึ้นชะโงกนี่อีกชะ ง, งอนเดียวเท่านั้น น, นะ คนอื่นไววอูทะกพะพโตก็ไวนายรพินแม้จะสีหน้าเป็นทุกข์แต่คนทั้งคู่ก็ตอบเต็มปากเต็มคำรพินก้มลงตบไหล่ให้กำลังใจทั้งสองอเจ้าน่ะเป็นลูกผู้ชายเลือดข้นโดยแท้ฉันจะไม่ลืมความจงรักภักดีของเจ้าทั้งสองในครั้งนี้เลยไม่ต้องกลัวอะไรนะถ้าตายก็ตายด้วยกันถ้ารอดก็รอดด้วยกัน แล้วมักคุเทศจอมทรหดก็หันมาร้องถามคณะนายจ้างทุกคนพอจะหายเหนื่อยพร้อมหรือยังล่ะครับโอเคพร้อมหัวหน้าคณะร้องตอบมาระพินจึงตะโกนเรียกบุญคำทันทีพร้อมทั้งกวักมือแกไปยืนแยกเขียวทําตาขวางอยู่ห่างสักสิบเมตรไม่ยอมเข้ามาักไ้แต่ร้องตอบมาว่า ไม่ต้องเรียกให้เขาไปใก ล, ล้ไกลยรอกมีอะไรก็สั่งมาเลยเฮ้ยต้นก็หนักมือก็หนักขนาดเอื้อไม่ถึงยังก่อนเห็นควา้างนายกูละใจร้ายชี้เพงเลยเอาว่ามาจะใชใ่คำทำอะไรถ้าไหนบอกมาเลยไอ้คำนั้นมันหนวยหน้ากล้าตายอยู่แล้วมักคอยเป็นเพื่อนเจ้านายอยู่ที่นี่อ่ะ แล้วคอยดูแลการขนถ่ายลำเลียงของแล้วคนขึ้นหน้าผาตอนนี้ฉันกะเซยสองคนจะหาทางไต่ขึ้นไปบนชะง่อนนั่นก่อนฮะไม่เหมาะมั้งนายให้คำขึ้นไปดีกว่านายเนี่ยอยู่กับพวกเจ้านายก็เหอะอย่างน้อยอานายอยู่ใกลๆเขาก็ยังอุ่นใจเฮอะไอ้คำขึ้นไปเองไฟมริกันทุกคน ได้ยินคําพูดโต้ตอบของทั้งสองอย่างถนัดและเข้าใจได้ดีเว้นก็แต่คิดคนเดียวที่อ่อนภาษาไทยที่สุดเบนผวดพ ร, ราดลุกขึ้นนั่งทันทีร้องบอกมาว่านี่ระพินคุณต้องอยู่ข้างล่างกับพวกเรานะแล้วก็ดูแลพวกเราทุกคนจนกว่าจะทยอยขึ้นไปได้หมดอย่าทิ้งพวกเราไปนะให้ตะคำนั่นแหละขึ้นไปดีแล้ว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 เพราะการอยู่ใกล้ๆของเขาเป็นกำลังใจชนิดหนึ่งเอาเชือกยาวๆขึ้นไปสามเส้นนะหาทางปีงขึ้นไปกระเซยแล้วก็เปิดวิทยุติดต่อไว้ด้วยละ่ะจะได้พูดกันได้พอขึ้นไปถึงบนนั้นก็หาโคถินที่มั่นคงที่สุดมัดเชือกไว้แล้วก็โยนปลายเชือกลงมาทั้งสามเส้นที่พวกเรานี่แล้วก็คอยฟังคาสั่งจากวิทยุ ถ้ามีอะไรผิดปกติบนนั้นก็รายงานลงมาทันทีแล้วก็ถอดย่ามหลังวางกองไว้ตรงนั้นแหละเอาแต่ปีนกระเชอกขึ้นไปเท่านั้นบุญคำกระแทกเสียงประชดมาว่าเยสเซอซ้ำยังชิดเท้าตรงทำท่าวันทยาหัดรับคำสั่งแล้วเดินไปคว้าคอเจ้าพรานเด็กหนุ่มดึงหิ้วขึ้นยืนมาไอ้เซยเอ็งมากกข่ะ องค์ชายท่านทงบัญชามาแล้วอย่างมากเองก็ข้ากร็ตกเขาลงมาคอหักตายหาด้วยการหัวเสยปลดเครื่องหลังของตนออกมาฝากจันก็เกิดไว้ทันทีเหลือแต่ไรเฟิลคู่มือแล้วทั้งสองก็เดินเลาะชายหน้าผาบริเวณ น, นั้นไต่ไปตามโคถินเพื่อแสวงหาทางระเหตขึ้นไปยังยอดบริเวณ น, นั้นโดยสัญชาตยานของนักท่องไพรไต่เขามาตลอดชีพ ระหว่างที่เดินตามหลังต้อยต้อยไปเสยอถามมาเบาๆว่ากี่ลุงตะวันแดงแจร้อนเทบไหมลุงดันร้องเพลงชมจันด้วยแล้วก็ร้องผิดเนื้อเขาเสด้วยเขาว่าแสงจันนวลพ่องเมื่ออยู่กับคู่ประคองพี่กอดตะกองให้มองจันเนื้อเพลงมันยังงี้ดังหากล้วลุง เฉยเองอ่ะไม่รู้อะไรก็หุบปากซะแล้วก็ไม่ต้องเสือถามอะไรให้มากบุญคำตะอคอกมาแล้วบนอุบอิเ ก, กียร์นายคว้างขาถัดจุกดีไม่ถูกกบานแหกชาตินี้ทั้งชาติไม่ได้กลับไปเจอนายหญิงอีกแล้วอ่ะไปเนินประจรันแมมสองคนอยู่กลางปานี่เหรอวะกูว่า เลียงลาะหาทางขึ้นลับแง่หินไปแล้วระพินสั่งให้เกิดจันและพวกลูกหาบทั้งหลายซึ่งพักกันพอจะทุนเราเหนื่อยบ้างแล้วจัดเตรียมนำสัมภาระเข้ามากองวางรวมกันไว้ทันทีเตรียมตัวที่จะผูกมัดโยงและสาวชักรอกขึ้นหากบุญคำกระสือโยนสายเชือกลงมาให้อันหมายถึงว่าทั้งสองหาทางขึ้นไปบนยอดนั้นได้สาเร็จ แล้วเขาก็เดินมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้านายจ้างทุกคนที่ยังถือโอกาสนั่งพักกันอยู่สําหรับอาหารกลางวันผมขอปรับทุกท่านให้ขึ้นไปกินกันบนนั้นแล้วกันนะครับผิดเวลาไปบ้างสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหวังว่าคงพอจะทนกันไหวนะครับเอาเอาเอาไงเอากัารนะพินในภาวะเช่นนี้เราจะมาถืออะไรให้ตรงกับปกติชีวิตประจาวันมันไม่ได้หรอกคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและเหตุการณ์หัวหน้าคณะตอบอย่างคนที่เข้าใจอะไรดีที่สุดหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วนะครับในภาวะที่เราขาดน้ำอยู่เช่นนี้การเล่าเว้นจากการสูบุรีจะช่วยบรรเทาได้มากหรืออย่างน้อยมันก็จะไม่ซ้ำเติมความกระหายน้ำของเรามากขึ้นไปอีกและคราวนี้ก็จะเป็นข้อแนะนากึ่งขอร้องจากผมล เขาเว้นระยะนิดหนึ่งตามองไปยังอิสเบลซึ่งหลอนงายตัวลงไปนอนเอาเข่าข้างหนึง่งชันขึ้นมองดูเขาด้วยสายตาคุนคุณอยู่เช่นนั้นวันนี้หล่อนดูเหมือนจะอ่อนล้าที่สุดหมอเบงครับข้อแนะนำจากผมก็คือถึงเวลาแล้วครับที่คุณควรจะต้องใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อันเป็นวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของพวกคุณ เกี่ยวกับเม็ดเคมีที่ใช้แทนน้ำพวกผมนั้นยังไม่กระรายนักหรอกครับแต่พวกคุณนั่นแหละกําลังจะแย่ถ้ายังขาดน้ำอยู่อย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เราจะปีนขึ้นสู่ยอดตอนนี้ซึ่งคงจะต้องใช้กําลังกันอีกพักใหญ่ทีเดียวล่ะเบลมองศบตาเขานิดหนึง่งนิ่งไปอึดใจก่อนที่จะค่อยๆดึงกายขึ้นนั่งอีกวาระหนึง่ง นี่แปลว่าคุณรับออกมาแล้วใช่ไหมระพินความหวังที่เราจะได้น้ำดื่มบนยอดนี่มันหมดสิ้นไปแล้วใช่ไหมจอมพรานฝืนยิม้มพยายามปรับอารมณ์ให้นุ่มที่สุดเขารู้สึกตัวได้ดีว่าวันนี้เบตั้งแง่รวนเขาผิดปกติไปมากทีเดียวแต่ก็ไม่ถือสาเหตุมันก็มาจากที่หล่อนเหนื่อยและสะบักสะบอมในการไต่เขาเกินไปนั่นเอง เบลตามปกติแล้วคุณเป็นคนน่ารักเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็มีนิสัยส่อความเป็นกันเองน่ารักมากใช่นะมเขาพยายามใช้จิตวิทยาในด้านวาจาเก็บความฉุนเฉียวงองแงแล้วก็ไม่พอใจของคุณไว้ดีกว่านะเบลผมทําหน้าที่ของผมดีที่สุดแล้วบนนั้นน่ะเราอาจจะพบน้ําหรือไม่พบไม่มีสิ่งใดมารับรองได้หรอกคุณ ถ้าพบก็เป็นโชคดีของเราถ้าไม่พบมันก็ไม่ใช่ความผิดของผมการตัดขึ้นเขาลูกนี้ไม่ได้อยู่ในความหมายว่าเจตนาจะหาแหล่งน้ําเป็นหลักใหญ่แต่เป็นเจตนาที่จะขึ้นบนสันเขาเพื่อเดินทางไปตามแนวที่กําหนดไว้ที่ผมแนะนําให้คุณเอาเครื่องประทังชีพในด้านน้ําขึ้นมาใช้ก็เพื่อจะช่วยเหลือผ่อนปลนพวกคุณกันเองนั่นแหละเพราะเดี๋ยวจะต้องออกแรงเหนื่อยกันอีก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 จนกว่าคุณจะเรียกร้องระพินย่นคิ้วเพื่ออะไรกันหรือแปลว่ายังไงล่ะคุณก็เพื่อจะสอบสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่เน่ยสิว่ามันขับขันขีดสุดแล้วหรือไม่ยังไงลงคุณสั่งแบบนี้มันก็แปลว่าวินาทีขับขันขีดสุดมันมาถึงแล้วในเรื่องน้ำนี่เบล อย่ามัวแต่จับผิดอะไรเขาอยู่เลยนะจับ ก, การเอาน้ำเคมีของเรามาแจกจ่ายกันเถอะหัวหน้าคณะรีบพูดแทรกมาโดยเร็วหมอเบนลุกขึ้นเดินตรงไปที่หีบห่อพัสดุอันเป็นเครื่องเวชภัณฑ์ที่วางกองรวมกันอยู่คริสตินาก็ตรงเข้าไปช่วยรื้อค้นทันทีอึดใจใหญ่แม่มสาวทั้งสองจึงถือกล่องลักษณะเป็นฟองน้านุ่มหุ้มพลาสติกอย่างประนีตมาคนละกล่อง เบนเดินเฉียดผ่านหน้าเขานาสิ่งนั้นนำสิ่งนั้นไปหยิบของอันบรรจุอยู่ภายในแจกให้คีธเชิร์ตบุตและสแตนลีย์ส่วนคริสติน่าเดินมาหยุดอยู่เบื้องหน้าเขาเปิดฝาออกส่งให้ดูภายในฝาปิดนั้นบรรจุเรียงรายอยู่ด้วยแคปซูลสีน้ำตาลเข้มลักษณะเหมือนรูปไข่แต่ขนาดเท่าแคปซูลของน้ามันตับปลา ลักษณะนุ่มยุนในตัวมองเห็นของเหลวข้นบันจุอยู่ภายในแถวละสิบเม็ดสองแถวจมตัวอยู่ในช่องที่ทำไว้อย่างพอเหมาะพอจบของมันแต่ละเม็ดเอานี่นะอมไว้ในปากมันจะค่อยๆละลายไปเองสร้างน้ำให้แก่ร่างกายและความชุ่มชื่นแม้ไม่เท่ากับการดื่มน้ำตามธรรมชาติแต่ก็จะลดความกระหายน้าลงได้ แล้วก็ไม่เพิ่มน้ำหนักในกระเพาะด้วยมีกลูโคสผสมอยู่หนึ่งเม็ดนะคุ้มไปได้สี่ชั่วโมงคุณเก็บไว้ทั้งกล่องนี่แหละแจกให้กับคนของคุณทุกคนประจำตัวไว้ด้วยแล้วก็อธิบายวิธีใช้ให้เขาทราบระพินยิ้มออกมาอย่างยินดีรีบรับมาทันทีขอบคุณมากคริสผมและพวกผมจะเก็บไว้ยามจำเป็นขีดสุดเท่านั้น เดี๋ยวผมจะแจกพวกนี้ไว้ประจําตัวไว้เองวันนี้คุณน่ารักกว่าเบนมากนะผมทายผิดนึกว่าการเดินทางวันนี้คนที่จะโยกเยกตีลูกรวนผมมากที่สุดจะเป็นคุณที่ไหนได้กลายเป็นเบเนไปซะนี่อย่าไปถือสาอะไรก็เลยกระพินคริสบอกมาใบหน้าเรียบเฉยแดดร้อนแล้วมันก็เหนื่อยมากๆเบนเขาไม่น่ารักรอก เอาไว้น้ําค้างตกตะวันหมดแสงซะก่อนสิเบนจะน่ารักเหมือนเหมือนกับที่คุณก็เคยได้สัมผัสมาแล้วพูดทิ้งเป็นในในอย่างเท่าทันแล้วเช่นนั้นคริสตินาก็พละจากเขาไประพินเลิกคิว้วเป่าลมออกจากปากเบาๆแล้วนำเอาตัวยาเคมีช่วยในด้านน้ำนั้นไปแจกจ่ายให้แก่ลูกหาบและพรานพื้นเมืองของเขา ที่เหลืออยู่สองคนขณะ น, นี้พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้ให้ทราบ พ, พวกนั้นรับไปคนละเม็ดอย่างยินดีบางคนเก็บสำรองไว้ก่อนบางคนก็ใส่ปากอมเลยเพราะความกระหายน้ำจันกรเกิดนั้นเอาไปบีบบีพิจารณาดูและถามเจ้านายหน้าตาเฉยว่านายไอฝรั่งนี่มันเก่งสรพัดนะนายแต่มันก็ยังดันต้องมาจ้างนายให้นาทางคราวนี้ ว่าแต่นายไม่ถามดูมั่งเลยไ อ, อายาชนิดที่กินแล้วตัวเบาเหาะได้อย่างในหนังมันมีมั่งไหมเราจะได้ไม่ต้องไตเชื่อกันเนสียเวลากินแล้วเหาะไปเลยแบบหนังจีนอ่ะนายมีพรานใหญ่ตอบหน้าตาเฉยเหมือนกันไม่ต้องหนังฝรังร่งหรอกฉันก็มีนี่ไงลูกปืนนี่ซัดตูมเดียวก็ไปในกระโหลกหลังจากนั้นอยากจะไปไหนวิญญาณก็จะเหาะไปได้เองะ เจาสักเม็ดไหมทั้งจันก็นเกิดโหดคอลงแล้วไม่พูดอะไรอีกจัดแจงเก็บตัวยาเคมีนั้นไว้เพราะถึงยังไงทั้งสองก็ยังไม่ถึงกับกระหายน้ำหนักพรานใหญ่เองก็เช่นกันแต่รู้สึกว่าทั้งฝ่ายนายจ้างของเขาและเชิดบุตรอมเม็ดเคมีเหล่านั้นไว้ในปากกันหมดแล้วเพื่อขจัดความกระหายและเรียกความชุ่มชื่นเตรียมต่อสู้กับการออกแรงหนักเสียเหงื่อต่อไป ท่านใดนั้นเองวิทยุทุกเครื่องที่เปิดเตรียมไว้ก็แวววเสียงบุญคำลั่นออกมาอู้นายไม่ต้องบูรอกบุญคำพูดเบาๆก็ได้ยินมีวิทยุแล้วยังดันกุย่ะว่าไงไปถึงไหนแล้วขึ้นมาอยู่ข้างบนได้แล้วละนายนิ่แตชาติก่อนบุญคำไม่ได้เป็นตุ๊กแกผสมกับลิงอะ่ะ ย่างก็ปีนขึ้นมาไม่ได้หรอกเสียงสมุนขวาอ้าวอ้าวออกมาจากลำโพงเล็กของวิทยุมือถืออืมดีมากนั้นก็จัดการมัดปลายเชือกด้านบนให้แน่นนะแล้วก็โยนปลายอีกด้านหนึ่งลงมาเดี๋ยวนี้แหละเขาสั่งทันทีกลุ่มนายจ้างที่นั่งกันอยู่ก็ไหวตัวพากันลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกมายังส่วนที่ชะโงอกออกมาของชะงนใหญ่ เสียงบุญคำรับคำพร้อมทั้งร้องเพลงสั ป, ปดีสีวดุลอะไรของแกไปตามสันดานสเตนลีอดร้องถามขึ้นไปทางวิทยุไม่ได้ว่าบุญคำสภาพข้างบนเป็นยังไงมั่งละ่ะโอ้ยสบายมากเลยนายห่างบอกก็เดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็เห็นเองอย่าให้คำบอกเลยว่ามันเหมือนวิมานชั้นฟ้าขนาดไหน ไม่กี่อึดใจต่อมาเส้นเชือกขนาดเคืองชนิดกว้างของก็ถูกขว้างด้วยน้ำหนักของตะขอเหล็กสีแฉกลอยและลิ้วลงมาก่อนเกิดวิ่งออกไปรับไว้อย่างว่องไวแล้วกระตุกกระชากทดลองดูความมั่นคงจากนั้นอีกสองเส้นก็ลอยเป็นสายตามลงมาอีกในระยะใกล้ๆกันจันและระพินช่วยกันทดสอบความมั่นคงเหนียวแน่นและใช้วิทยุติดต่อกับบุญคา เพราะไม่อาจมองเห็นตัวกันได้จากชะงอนที่โผล่เป็นมุมบังรูปนูนโค้งนั้นเมื่อเห็นว่าทุกเส้นทุกด้านบนยึดไว้มั่นคงพอแก่การไว้วางใจได้แล้วเขาก็บอกขึ้นไปทันทีบุญคำฉันใจพวกลูกหาบเจ็ดคนน่ะปีนทยอยขึ้นไปสมทบกับบุญคำและเสยก่อนจะได้เป็นเก้าคนบนนั้นเพื่อช่วยกันสาวกว้านข้าของขึ้นไปนะ ดีนายลํำพังไอ้คำใกล้เสยสองคนน่ะไม่มีแรงสาวขึ้นมาได้รอกสงก็มาช่วยหลายๆแรงหน่อยก็ดีเสียงตอบลงมาระพินจัดตัวลูกหาบที่ข้อลำแข็งแรงแล้วต้อนให้ไต่ตามเชือกขึ้นไปทันทีเหลือด้านล่างไว้เพียงแค่สามคนเท่านั้นสำหรับคอยทำหน้าที่ผูกมัดของแต่ละชิ้นส่วนคนที่จะไต่ประคองหีบหอ่อสัมภาระขึ้นไปด้วยโดยคอยผลัก ไม่ให้ไปติดแง่หินหรือขัดขวางสะดุดชะงอนอันกั้นอยู่ก็กําหนดให้จันกระเกิดคอยทําหน้าที่นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ชิ้นส่วนละเอียดบอบบางที่จะกระทบกระเทือนไม่ได้สําหรับพวกนายจ้างนนั้นก็ให้ยืนคอยกันอยู่ก่อนแต่ละคนจะได้รับคําสั่งให้ไต่ขึ้นก็ต่อเมื่อสัมภาระเข้าของทั้งหมดทุกชิ้นถูกลําเลียงขึ้นไปหมดซะก่อน แล้วการทำงานแข่งกับเวลาก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งจากทีมงานที่เข้าใจหน้าที่ประสานงานกันได้ดีอยู่แล้วเจ็ดคนของพวกลูกหกักอันรวมทั้งอูถะและพัโตถูกส่งให้ไต่เชือกขึ้นไปก่อนความสะดวกในการติดต่อสั่งงานนั้นวิทยุมือถือที่มีอยู่ช่วยได้เป็นอย่างมากที่สุดและชั่วไม่เกิน20นาทีสัมภาระหีบห่อข้าวของทุกชิ้นของคณะก็ถูกชักรอก กว้านกันขึ้นไปทางชะ ง, ง่อนหินนั้นโดยมีพี่เลี้ยงไถเชือกพยุงไม่ให้กระทบครูดหรือติดขัดกับแง่หินจนกระทั่งทุกชิ้นเคลื่อนย้ายขึ้นไปหมดแล้วรวมทั้งจันและเกิดกระลูกหาบทั้งหมดก็พากันลับหายขึ้นไปบนนั้นกันหมดสิน้นหรือเฉพาะคณะนายจ้างอเมริกันสี่คนเชิดบุตรและระพินเท่านั้น คราวนี้ก็ถึงคราวพวกเราแล้วล่ะครับและพินกล่าวกับบุคคลเหล่านั้นอย่างยิ้มแยม้มซ่อนริ้วรอยกังวลไว้มิชิตเอาอยัางไงก็สุดแต่นะผมขอมอบความรับผิดชอบทั้งหมดให้แก่คุณทางเราจะปฏิบัติตามคําสั่งเท่านั้นขอให้คุณเป็นผู้อำนวยการในการขนย้ายขึ้นไปทั้งหมดเท่ากันสเตลลี่บอกอย่างมอบความไว้วางใจให้เต็มที่